ตรวจกันบ้านพวกอยู่วัดใครจะส่งกันบ้านพูดดังๆอะไรนะแยกตอนนี้ไม่ถึงมันถึงเป็นคราวๆตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้บังคับสมาธิต้องถูกถึงจะแยกขันได้ การแยกธาตุแยกขันธ์เนเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งะในส6บหขั้นเรียกว่านำรูปปริเชทยานแยกรูปนามได้ปัญญาต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานในอภิธรรมสอนนะปัญญาปัญญามีสมาธิที่ถูกต้องเป็นเหตุใกล้ให้เกิดตรงนี้ไม่ถูกละตรงนี้เป็นหลงชิด ที่ทำหนูใช้ได้นะฝึกไปเรื่อยๆคนต่อไปบีไหม ย, มยมอยมอลืมแล้วก็แล้วไปแล้วรู้สึกกับปัจจุบันไปนะร่างกายนั่งร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอ น, นรู้สึกไป ร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปที่ฝึกใช้ได้นะไม่ใช่ลืมอะไรหรอกพยยมรู้สึกตัวไปสบายๆแล้วก็อ่านใจตัวเองไปด้วยถ้าอ่านใจไม่ออกก็อ่านกายเห็นร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนถ้าอ่านจิตใจได้ก็เห็นนะจิตใจสุขจิตใจทุกจิตใจไม่สุขไม่ทุกอะไรองนี้ ดูไปสบายๆดูบ่อยๆอย่าถลำลงไปดูตรงนี้ถลำลงไปดูแล้วรู้ไหมเมื่อกี้ถลำลงไปดูนั่นแหละเรียกว่าดูเป็นดูจิตไม่ใช่ไปดูอะไรนะดูจิตแล้วรู้ทันจิตเราถลำเรารู้ว่าถลำอย่างนี้ต่เรียกว่าดูจิต ถ้าถึงแล้วไม่ถูกอย่าแน่นๆน่นไปฝึีดีละใครจะส่งกลับบ้านพวกที่อยู่วัดอนะ่ะใครที่มาอยู่วัดบ้างอเออถูกฟุ้งซานอยู่นะขนาดเนี้ยมฟุ้งซานจิตฟุ้งซานรู้ว่าฟาุ้งซานรู้เข้าไปเลย เออเนั่นแหละองศาเนนะ่ยดูบ่อยๆชอบบังคับไปบังคับมันทําไมล่ะดูออกไหมทําไมถึงบังคับอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีมาจากอยากทั้งนั้นที่บังคับะการที่นักปฏิบัติ บ, บังคับจิตใจตัวเอง กาบังคับจิตใจตัวเองมันคือการสร้างโลกของนักปฏิบัติสร้างภพของนักปฏิบัติภพทั้งหลายเกิดจตันหาทั้งสิ้นเกิดจัดอยากอยากรู้ตลอดเวลาอยากเห็นชัดๆอยากได้เป็นพระอริยะอยากได้มรรคผลความอยากมันทำให้เราบังคับตัวเองอยากสงบเราบังคับตัวเอง อยากจะไม่ฟุ้งซ่านก็บังคับตัวเองไปใส่งเจตใจที่อยากนะนะความอยากอะไรเกิดขึ้นแล้วรู้ทันมันก็จะเลิกบังคับนะถ้าไม่รู้ทันมันก็่าบังคับไปไเรื่อยๆอ้าหนูคนนี้เริ่มก็ไม่เป็นไรนะดีกว่าไม่เริ่ม <c oughs> บางคนเริ่มปฏิบัติอนาะยุเยอะนะ ยิ่งอายุมากยิ่งภาวนายากยังหนุ่มยังสาวนะร่างกายแข็งแรงสมองแข็งแรงช่วงที่ร่างกายแข็งแรงนะมันยี่สิบนิดนิด 20, 20นยี่สิบยี่สิบนอยๆช่วงที่บุตรทิาวะเต็มที่นะมันสามสิบห้าสามสิบหกอะไรนีนี้มีประสบการณ์ชีวิตละ ่พระพทธเจ้าตรัสรู้สาสบ้าถจากนั้นร่างกายมันเริ่มอ่อนแรงลงละถึงสี่สิบมันเริ่มปวดแรงเราพ่อภาวนาตั้งแต่เด็กๆนะนั่งสมาธิอะไรทำได้เดินจงกรมได้เราไม่ได้ปวดก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่เราลูกคนเดียวอะ มาบวชอายุสี่สิบปดกำลังมันเริ่มตกแล้วทางร่างกายนะเริ่มเสื่อมที่ว่าฝึกมาตั้งแต่เป็นโยมเยอะก็เลยเดินต่อไวปฏิบัติไวนั้นรีบภาวนาตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆดีแล้วเริ่มตน้นตอนนี้ไม่สายแล้วนะสมัยพุทธกาลมีบางท่านออกบวชอายุตั้งหกสิบแล้ว ยุคของเรานี้ก็มีนะหลวงตาผนึกหลวงสิทธิ์หลวงผู้ฟัน่นหลวงสิทธิ์หลวงปูดุลออกบวชเมื่ออายุหกสิบภาวานาจริงถ้าบวชอายุเยอะๆก็ต้องใจเด็ดเดี่ยวไม่ใช่ว่าไม่มีหวังแต่ต้องเด็ดเดี่ยวตนะ้องอดทนถ้าปฏิบัติตนะั้งแต่ยังนมยงสาวดีส่วนบวชนะั้มันแล้วแต่คน ไม่มีความพร้อมก็ไม่อยากไปบวชวแล้วเครียดไม่อยากบวชแต่และคนไม่เหมือนกันภาวนาตอนเด็กๆ เ, เนี่ยพอถึงวัยรุน่นมันมักจะลืมมันจะลืมการภาวนาไปช่วงหนึ่งส่วนใหญ่นะหลวงพ่อภาวนาทุกวันไม่ไมลื ม, มชอบอภาวนาเริ่มตอนอ้นจะทำยังไงเริ่มต้นถือศีลห้าไหมถือศีลได้อย่าง เออนั่นแหละรู้อย่างว่าอะไรทําให้เราตื่นสีหน้าไม่ได้ทําให้ศีลรแหวง่งอะไรกิเลสโกรธขึ้นมาก็ไปด่าเขาอะไรไปกระแนกกระแหนอะไรไปชดไปชันอะไรโลบขึ้นมาะยังไม่ถึงขนาดไปล้วงกระเป๋าใครหรอกโกรธขึ้นมาจะไม่ถึงกับตบเขาแต่ว่า กันแนกันแนะเข้าอะไรเงี้ยว่า ม, มันผิดศีลได้เพราะกิเลส ท, ทั้งหมดะเราคอยอ่านใจสังเกตใจตัวเองไปใจเรามีกิเลสอะไรคอยรู้มีกิเลสอะไรคอยรู้ฝึกแค่นี้แหละแต่ถือศีลห้าไว้ทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบไมว้พราสวดมนต์ท่องพุโทโธพุโทโธในใจไป ใ, ใจมันนีไป พุงซ่านรู้ว่าพุงซ่านพุงซ่านก็เป็นกิเลสใจนั่งไปนั่งไปแล้ว อ, อากาศร้อนนะช่วงนี้ลำคาญลำคาญเป็นโทสะก็ะเป็นกิเลสเนี่ยคอยวัดใจตัวเองไปได้ลำคาญขึ้นมานะร้อนจัดะไม่รู้จะด่าใครก็ด่าเทวดานะทําไมไม่รู้จะทําฝนให้ตกอะไรอยางนี้ถ้าพระอเป็นเทวดาพระองค์จะดา่าเมืองคืนนะาเ <c oughs> มืองเสือกตัดต้นไม้หมดเนละ <c oughs> กูจะทำฝนให้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะไม่มีอุปกรณ์ไปดูกิเลสตัวเองแล้วก็ทุกวันต้องปฏิบัตินะอย่างน้อยสักยี่สิบนาทีมีใครอยู่วัดอนะีกจิตมันไม่มีก็มั่งู จิตไม่มีกําลังก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปนะทําไปเดี๋ยวมีกําลังแล้วก็ค่อยเดินปัญญาไม่มีแรงแล้วไปเดินปัญญาไม่ได้กินหรอกต้องจิตต้องมีกําลังก่อนนะเขาอุตส่าห์ประกาศว่าหลวงพ่อไม่ได้เทศเนาะแล้วก็ยังจะมากันอีก <c oughs> อันนี้ก็ไม่ได้เทศมาคุยด้วย มู่นิธีเขาห้ามเทศเดีนะ๋ยวคนมาวัดเยอะหลวงพ่อไม่ได้ตั้งโต๊ะเช็คพวกเรานะดัง้เรามีความรับผิดชอบต่อตัวเองมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมคนไหนกลับมาจากต่างประเทศนะอย่ามาวัดหลวงพ่อสักสิบสี่สิบห้าวันเลย สัครึ่งเดือนดูเราเอาเชื้อมาแพร่คนอื่นนะบาปนะเรามาแพร่ใส่บ้าหลวงพ่อนี้บาปมากเลยเพราะพวกเราเป็นนักปฏิบัติเขาอยากภาวนาเอามรรคผลนิพพานกันเราเอาเชื้อโรคมาใส่เขานั่นเขาภาวนาไม่ไหวบาปมากเมื่อก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์นะี่ท่านสั่งแล้วสั่งอีกนะ อย่างเวลาเราเดินในวัดเนี่ยหรือเวลาจะพูดอนะไรเนี่ยต้องอย่าให้มีเสียงดังอย่างแล้วก็เราอยู่ในวัดเราพูดเสียงดังเลยเนะี่ยคูบาอจารย์จะดูเลยบอกว่าเผื่อคนอื่นเขากําลังนั่งสมาธิอยู่เราไปพูดให้เขาจิตถอนจากสมาธิบาปมากท่านบอกว่าถ้าทําให้กรรมฐานคนอื่นเขาเสียหายเนะี่ยเป็นบาปมาก เวลาจะใช้นี่นี่ใช้หนักเลยนะใช้หนักยังไงต่อไปเวลาเราภาวนาเนี่ยจิตจะเกิดมากเกิดผลแล้วมันจะมีอะไรมากวนจะมีสิ่งที่บรบกวนเราใจเรายังไม่ได้มากผลสักทีงันไครเพิ่งกลับจากเมืองนอกมานะอย่าเพิ่งเข้ามาสักสิบห้าวันคลื่นเดือนแล้วค่อยจะมาก็มา แต่มาทำอะไรไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าหลวงพ่อพูดด้วยนิดเดียวก็วประมาณย0สิบนาทีช่วงพระตักอาหารเองอยู่บ้านก็นหัดภาวนาให้ไดนะ้มีความสุขกับตัวเองให้ได้วิธีที่เราจะมีความสุขกับตัวเองไม่ต้องร่อนเร่ออกไปนอกบ้านอยู่กับสมาธิเงนีนหลวงพ่อสอนพวกพระ พระสงภาพ่อไม่ได้ออกจากวัดเลยนะนอกจากไปปิธฑบาตนอกนั้นไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ในวัดถ้าไม่มีความสุขอยู่ได้แล้วมีความสุขนะความสุขมันมีหลายระดับความสุขอย่างโลกโลกไปดูอย่างนี้ไปเห็นอย่างนี้แล้วมีความสุขไปฟังอย่างนี้แล้วมีความสุขได้กลิ่นได้รสอย่างนี้แล้วมีความสุขมีสัมผัสอย่างนี้แล้วมีความสุขเป็นความสุขอย่าง ที่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางร่างกายความสุขอญ่นี้เรียกว่ากามาสุขคนในโลกรู้จักอยู่แค่เนี้ยกามาสุขถ้ามันมีความสุขที่เหนือกว่ากามาสุขเองอย่างพวกที่มาจากต่างประเทศนะ น, นะอยู่บ้านแล้วมันทนไม่ไหวมันคันมากนะเลยออกไปกินสุงกงสุงกี้อะไรนะร้านเขาเจ๊งเลยเขาต้องปิดร้านเลยนะทำบาปมากนะ ไปแพร่เชือ้อเขาบาปนะไม่ทำธุรกิจเขาเสียหายนะต่ไปตัวจะทำมาหากินก็นลำบากนะบาปกรรมมันมีผลอยู่ทำไมต้องดิ้นพล่านๆออกไปหาอะไรกินนอกบ้านไม่ได้ไปหาเพราะหิวนะไปหาเพราะตอบสนองความอยากในใจเราอยากสนุกสนานเพลิดเพลิน อ, อยากมีความสุขนะอันนี้เรียกว่ากรรมมาสุขถ้าเราหัดภาวนานะอยู่บ้านเราเนี่ย หายใจไปรู้สึกตัวไปสบายๆหาย ใ, หใจเข้าพูดหายใจออกโทรฝึกไปเรื่อยๆทำกรรมฐานไปแรกๆใจฟุง้งซ่านเราอย่าไปอยากเคล็ดลับอยู่ตัวนี้นะอยย่าไปอยากสงบถ้าอยากสงบจะไม่มีวันสงบแนะ่เพราะความอยากเป็นกิเิตเป็นตัญหามันผลักดันให้ใจดิ้นรน งั่เราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างฝึกทุกวันทุกวันนะเดี๋ยวก็สงบเองแหละพอเราเข้าถึงความสงบของสมาธิเราจะรู้เลยว่าความสงบในกามนะความสุขในกามเนะี่ยมันสู้ความสงบไม่ได้ความสุขของความสงบนะัน้นมันกว่าความสุขของกามมากเลยเทียบกันไะม่ตนะิดเยความสุขของกามนะัเป็นความสุขที่ดิ้นเล่า เหมือนที่เห็นเขาไปดูคอนเสิร์ตกันนะแล้วเต้นแรงเต้นกาเหมือนไสเดือนเหมือนกิ้งกืออะไรเห็นแล้วอานาถนั่นสุขแล้วเหรอความสุขแบบนั้นตื้นมากเกินต่ำตื้นไม่สมกับที่เกิดในบ้านเมืองที่มีพระพุทธศาสนาเลยถ้าเราพอิกรรมไปนะห้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทรไปจิตรวมลงไป รู้เล้ว่าการมาสุขสุขจากการไปดูไปฟังไปกินไปดมมไนะเล็กน้อยเหลือเกินสุขที่สุขปลกเจือทุกสุขของสมาธิประนีตกว่ากันเยอะนะบางทีหลวงพ่อทขาทำสมาธินะจิตที่รวมสบายชาเช้าขึ้นมานะโอสดชื่นมันชื่นช่อะมันชื่นฉ่ำ มันไม่ใช่สุขแบบเราร้อนสุขในสมาธินะัมันชุ่มชื่นพยายามฝึกตัวเองทุกวันทุกวันเดี๋ยววันหนึ่งก็ได้สัมผัสสุขของปัญญาเป็นอีกแบบหนึ่งสุขของปัญญานี่เป็นสุขแบบผู้ใหญ่ทำงานที่สำคัญสาคัญสาเร็จอย่างเราเป็นหมอเนเรารับเคสที่ยากยากมาเราทาสําเร็จ สุขของปัญญาจะรู้สึกอย่างนั้นเป็นสุขของผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสุขของสมาธิเป็นสุขของที่ตื้นขึ้นมาอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามีความสุขเยอะสุขมนคนติดยาติดยาเสพติดเคลิ่มสบายมีความสุข สุขอย่างกามาสุขนี่ที่ชาวโลกก็สุขนะจากการกินการดมการฟังอะไสุขเหมือนเด็กทารกเล่นดินเล่นทรายเด็กมันคุยเขียจับใส้เดือนเล่นมันก็มีความสุขนะผู้ใหญ่เห็นแล้วก็อ๋ยิ้เล่นก็นไปได้ไงบาทีมือสโสดโตกนะหยิบขนมใส่ปากกินก็นไปได้มีความสุขสุขของกามันสุขแบบนั้นนะ สุขของสมาธิมันเป็นสุขอีกแบบหนึ่งใจมันร่มเย็นเพลินเพลินใจมันเพลินเหมือนเราสูบกัญชาอะไรอย่างเงี้นะแต่หลวงพ่อไม่เคยสูบนะเดาๆนะกันชงกัญชาอะไรก อ, อย่าไปเชื่อมันมากนะมันไม่ใช่ของจะมาสูบเล่นนะตอนหลวงพ่อเด็กๆฮะหลวงพ่อได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดไอ้นี่บ้ากัญชาไอ้นี่บ้ากระทอม มีคาว่าบ้าด้วยนะแสดงว่ามันไม่ปกติหรอกไม่ใช่คนปกติอย่ไปเชื่อว่ามันจะดีเข า, าเรียกไอ้บ้าแต่บ้าแล้วมันมีนมความสุขเวลาเข้าฌานมันจะมีความสุขเพราะงั้นมันสุขแบบบ้าอยู่ถ้าแบบสุขแล้วมีปัญญามันสุขเหมือนผู้ใหญ่ทำงานสำเร็จงานยากๆสำเร็จ สุขของมรรคผเป็นอีกแบบหนึ่งนะสุขเป็นอีกแบบ น, นะสุขมีหลายแบบสุขของกามสุขของสมาธิสุขของปัญญาสุขของวิมุตต์ไม่เหมือนกันนะแตกต่างกันอันนี้พวกเรายังไม่เคยสัมผัสไม่รู้สึกไม่รู้จักพูดไปแล้วเราคิดเอานะยิ่งคิดมากยิ่งภาวนาไม่ขึ้นนเราตั้งออกตั้งใจปฏิบัติไป เรามีความสุขกันมห า, าศาลรออยู่ข้างหน้าสัมผัสพระนิพพานทีแรกนะเต็มภูมิตอนโสดาเนี่ยยังไม่รู้สึกมากอะโสดาเศทษาคาพระนาคาเนี่ยสัมผัสพนิพพานเนี่ยสั้นมากๆเลยเกิดริยะามรณะจิตหนึ่งริยะผลสองสามขณะจิตเพราะันยังทรงจำสภาวะของพระนิพพานได้ไม่แม่น เวลาโสดาสาาัตตาขาอนาคานีจะทำสมาธิเข้าไปถึงพระนิพพานเนี่ยจะต้องอาศัยวิปัสสนากรรมฐานมาช่วยดูกายระวังกายดูจิตระวังจิตเพถึงพระนิพพานถ้าถึงที่สุดแห่งทุกข์นะภาวนาแตกหักวัฏจักรถล่มลงไปวัฏจักรมันหมุนอยู่กลางอกเราเนี่ย ถล่มลงไปต่อหน้าต่อตาอลไรพังโครมลงไปนะจิตมันก็สัมผัสพระนิพพานเต็มภูมิมันมันสุขเหมือนจะตายเลยนะสุขมากสุขในโลกแ ม, แม่แม่เหมือนสุขขนาดนั้นสุขของพระนิพพานนะั้นมันสุขเหมือนจะตายเลยธาตุขันมนุษย์เนี่ยแทบรองรับความสุขอันนี้ไม่ไหวนะ อย่างถ้ามีสมัมผัสตัวนี้แล้วนะก็ควรที่จะบวชควรจะรีบๆ บ, บวชซะอยู่กับโลกไม่อยู่ไม่ไหวหรอกในโลกนี้สง ป, ปรงเกินไปนั้นถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วควรจะบวชเหมาะสมที่สุดมันไม่ใช่ว่าพรินิพพานเป็นสิ่งอันตรายอะไรหรอกแต่มันคล้าย คนซึ่งอยู่ในที่ซึ่งดีที่สุดแล้วต้องไปอยู่กลางกองขยะอยู่ไม่ไหวอ่นะแต่พวกเราไม่ต้องกลัวนะไม่ถึงง่ายหรอก <c oughs> <c oughs> เอาโสดาก็ยากลแล้วล่นะต้องตั้งใจทาไปอย่อกลัวเมื่อก่อนมีน้องคนหนึ่งนะไปอยู่กับหลวงปู ด, ดูลเขาจะศึกของพ่อไปรับ ขึ้นจากกรุงเทพไปรับเอากางเกงไปให้เสื้อไปให้ขอสึกกับหลวงปู่หลวงปู่ก็ไม่ให้สึกท่านบอกว่าภาวนาถึงขนาดนี้แล้วยังจะสึกอีกเหรอเขาเขาก็เขาจำเป็นต้องสึกผมขอสึกนะครับหลวงปู่ก็ไม่พูดครั้งที่สามเขาก็ถามหลวงปู่วิธีขอสึกของเขาหนะาหลวงปู่ไม่อนุญาต มาถามหลวงปู่ครับฆราวาสเนี่ยทําที่สุดแห่งทุกได้ไหมหลวงปู่ไม่ตอบนะถามครั้งที่สองเขไม่ตอบนะถามครั้งที่สามถึงก็ตอบได้แต่ตามตาราบอกว่าอยู่ได้ไม่นานนะนะอยู่ได้วันวันหนึ่งอะไรหรือเจ็ดวันอะไรเงี้ยแล้วก็ตายนะ เขาว่านึกในใจนะงั้นเดี๋ยวเราไปเป็นคารวาสเราไปทำต่อให้จบหลวงปู่หันมาแค่นึกนะหลวงปู่หันมาตาเขียวปั๊ดเลยหลวงพ่อนั่งอยู่เลยมันจะไม่จบนะสิใ่าก็ถามจะสึกจริงเหรอครับต้องสึกไปไปสึกให้ไปสึกกับพระอีกอง เราภาวนาไปนะแก็โอ้ม่มีความสุขความสุขของโลกต่ำต้อยนะไม่ประนีตลึกซึ้งความสุขในธรรมะนั้นมหาศาลนะฮศาลนะเราก็ควรจะวางความสุขที่ตื้นๆข้าไปสู่ความสุขที่ประณีต วางไปเป็นลําดับลําดับมีอยู่คราวหนึ่งหลวงพ่อไปนั่งอยู่กับหลวงปู่คาพันธ์วัดธาตุมหาชัยคนนึกว่าท่านเป็นพระเสกวัตถุมงคลมีวัตถุมงคนเยอะแยะเลยหลวงปู่คําพันธหลวงพ่อไปกมเช่าวัตถุงคลเหมือนนะเป็นถุงๆเลยเช่าท่าเราเงินไปสร้างวัดสร้างเจดีย์อะไรท่านก็เช่ามาเขไปนั่งรอท่าน คนเีเอาวัตถุมงคลไปให้ท่านเสกซ้าให้พ่อไม่เสกนั่งรอพอคนเตาลงแล้วควนน้อยแล้วถ้าหันมาหาหลวงพ่อเลยท่านบอกว่าเราจะเดินทางไกลท่านบอกเราจะเดินทางไกลเราจะไปหาแผ่นดินที่ชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์เหมือนเราเดินในทะเลทรายเราอยากไปหาแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์อยู่ ที่เราเดินไปเราไปเจอต้นไม้ใหญ่ก็ต้นหนึ่งนะร่มเย็นร่มรื่นเราก็ไปนอนแช่อยู่ที่ต้นไม้นะั้นไม่เดินต่อนะไม่ฝ่าฟันต่อไปไม่ก็ไปไม่ถึงแผ่นดินที่ชุ่มชื้นเนี่ยขั้นสอนาถ้าเราอยากนิพพานนะแต่เราติดในความสุขของรูปเสียง จ, จินรสัมผัสนะเราก็ไปไม่ไดนะ้นี่ต้นไม้ต้นแรก ต้นมาต้นต่อไปก็คือฌานสมบัติเราไปติดอยู่ในฌานสมบัติเราก็ไปไม่ได้ติดเกี่การเจริญปัญญาเราก็ไปไม่ได้เจริญปัญญาเขามีความสุขนะแต mm hmm. ่พวกเราบางคนเันไปติดฟุ้งซ่านพิจารณาธรรมะอะไรเงี้ยไอ้นั้นผิวผิวของปัญญานะ mm hmm. ปัญญาจริงต้องมีสมาธิรองรับ mm hmm. คิดคิดไปแล้วก็อิมโม่อินใจใครเคยเป็นไหมเหมืออ่านหนังสือเสร็จ น, นะ อ่นไปแล้อิมโมอิมใจเราะนั้นปัญญาผิวๆเท่านั้นนะถ้าปัญญาที่มีสมาธิรองรับเนี่ยมันประณีตกว่ากันเยอะเลยมันจะมีความสุขอยู่ประมาณเจดวันนะมีความสุขได้เจดวันฌานสมาบัติมันก็มีความสุขอยู่ชั่วเวลาที่ทําสมาธิออกจากสมาธิก็มีความสุขอยู่ก็ไม่เกินเจดวันก็นะเสื่อม สุขของปัญญาเป็นอีกแบบหนึงนะ่งสุขของมรรคผลนเป็นอีกแบบหนึง่งสุขของนิพพานเนี่ยสุขทุกครั้งที่นึกถึงที่มานาสิกานถึงนะพระอราหันต์ไม่ได้อยู่กับ น, นิพพานตลอดเวลานะพระอราหันต์บางทีก็าังมาอยู่กับโลกนีนะ่อยู่ในกามาวจรแต่จิตของท่านนี่ไม่กระเพื่อ ม, มหมันไหวแลจิตจะไม่เหมือนพวกเราพวกเราอยู่ในกามาวจรนะจิตก็กเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลง เดียวสุขเดียวทุกข์เดียวดีเดียวชั่วศิตกระหันอยู่ตรงนี้สักว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตามหน้าที่เพียงังมีขันอยู่แต่นะเวลาท่านมานาสีการถึงพระนิพพานเป็นอีกแบบหนึ่งเะนั้นนะความสุขมีหลายระดับนะพวกเราค่อยๆฝึกตัวเองไปให้เวลากับตัวเองให้มากยุ่งกับคนอื่นเท่าที่จําเป็นนะมีเวลาแล้วให้กับตัวเองเยอะๆ อย่าทำเหมือนหมาขี้เลือนกรรมาสุขะครูบาจารย์เปรียบเหมือนหมาขี้เลือนหนะมาขี้เลือนนะพระพุทธเจ้าท่านเล่าว่าเมื่อคืนนันมีหมาขี้เลือนมันมานอนอยู่หน้ากุฏิท่านนะมันนอนเงียบๆอยู่พักหนึ่งแล้วมันก็เกาขาวๆแล้วก็วิ่งไปที่อื่นนะแล้วไปเถียงก็ไปเกาอยู่ที่อื่นวิ่งไปเรื่อยๆนี่สุขของกรรมเป็นแบบนั้นนะสุขของหมาขี้เลือน เวลามันคันเก่าแล้วมีความสุขไหมแล้วเดี๋ยวก็คันอีกใช่ไหมนั่สุขของกลามไปอย่างนั้นนะบริโภคกลามไปมีความสุขแป๊บเดียวอยากได้อย่างอื่นอีกลวนะวดูหนังแล้วอยากไปฟังเพลงอยากไปกินของอร่อยนะความสุขของหมาขี้เลือนนะนั่นความสุขที่เหนือกว่า น, นั้นมันมีไปหลงกับความสุขแบบหมาหมานะแค่ไหว้พระสวนมนต์ ทำสมาธิเดินชมกรมไปอ่านจิตนานใจตัวเองไปจะได้ความสุขของสมาธิได้ความสุขของปัญญาได้ความสุขของวิมุตตฝึกไปอหัอนไปทางน้น